ทรงอนุญาตให้ฉันคณะโพชนาได้ในสมัยที่ถวายจีวอนสอรสมัยนั้นพวกชาวบ้านตราเตรียมพัทหารพร้อมจีวอนในสมัยที่จะถวายจีวรนแลนิมนต์ภิกษุทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าพวกเรานิมนต์ภิกษุทั้งหลายฉันแล้วจะให้ครองจีวอนภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณะโพชนาะไม่รับนิมนต์จึงได้จีวรนเพียงเล็กน้อย